เป็นวิสุทธิมุขที่มีข้อวินิจฉัยหมดจดดีอาศัยนัยะเทศนาของพระเถระชาวสำนักมหาวิหารดูก่อนสาธุชนทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ากล่าววิสุทธิมุขนั้นอย่างเคารพขอท่านทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิแม้ทุกอย่างจงตั้งใจฟังนะซึ่งจะค่อยๆอธิบายตามลำดับตั้งแต่ต้นว่าคําว่า พระมเหสีเจ้าเนี่ยนะน่าสนใจมเหสีนี่แปลว่าอะไรนะตรงนี้มเหสีนี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคําว่ามเหสีก็คือผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เด่ดนะสแสวงหาสีและคุณอันยิ่งใหญ่สแสวงหาสมาธิคุณอันยิ่งใหญ่สแสวงหาปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่สแสวงหาวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศ น, นคุณอันยิ่งใหญ่เหมงอนกันเถอะ ถ้าแปลตามศัพท์ตรงๆเขาว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ น, นะผู้ที่บรรลุถึงคุณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นก็จะขอกล่าววิสุทธิมักวิสุทธิเนี่ยแปลว่าความบริสุทธิมัชเนี่ยแปลว่าทางทางแห่งความบริสุทธิทางนี่นี่แหละที่เป็นเหตุสร้างความปรามโมดคำว่าปรามโมดก็คือปีติยางอ่อนนั่นเอง ปีติยังอ่อนเรียกว่าปราโมทปีติยังแก่กล้าเรียกว่าปีติว่ากั้นคือขณะที่ผู้ที่ขวนขวายในการฟังก็จะเกิดปีติปราโมทของเรานี่สบายใจหรือเปล่าถ้าฟังแล้วสบายใจแสดงว่าประสบสมหวังพระพุทธโคสาจารย์ะนะแต่ถ้าฟังแล้วเครียดนิดๆ น, นี่ก็แสดงว่าท่านสงสัยจะเจริญกรุณาให้เลยนะขนาดฟังทางแห่งความบริสุทธิ์ยังทุกข์อยู่เลยว่ากันเพราะฉะนั้นคนที่มัน ทรงจำวิสุทธิมักได้ก็จะสร้างความปราโมทให้แก่ผู้ที่ทรงจาได้คนที่สังสมมีการสาทยายเป็นต้นมีการบอกมีการกล่าวก็จะก่อให้เกิดปีติปราโมทของมาก็เป็นปราโมทเป็นพักๆ ก, ก, กันนะไม่ถึงกับปีติหรอกปีตินน้อยๆ น, นะอ่อนๆเขาบอกว่าเป็นเหตุสร้างความปราโมทแก่บรรดาพระโยคีคำว่าโยคีนี่แปลว่าโยคีนะโดยศัพท์แปลว่าประกอบเฉย โยค่าเนี่ยแปลว่าประกอบโยคยีก็คือผู้มีการประกอบหรือผู้มีความขวนขวายในการบาเพ็ญภาวนาผู้ที่มันขวนขวายในการบาเพ็ญภาวนาเรียกว่าพระโยคีเนี่ยนะยนะ่โยค่านี่แปลว่าเพียนพยายามก็ได้ขวนขวายนนะั่นแปลว่าขวนขวายหรือผู้ที่มีการขวนขวายประกอบความเพียรในการเจริญภาวนาในพระศาสนานี้ ผู้ได้การบรรปชาในศาสนาของพระชินเจ้าที่หาได้แสนยากคาว่าศาสนาก็คือคำสอนเป็นต้นนั่นเองนะพระปริยติศาสนาปฏิบัติศาสนาและปฏิเวติศาสนาอของพระชินเจ้าคำว่าพระชินเจ้าคือชนะแปลว่าชนะนะพระพุทธเจ้าผู้ชนะมานทั้งห้ามานทั้งห้าคือหนึ่งอะไรบ้างนะ ขันธมานกิเลสมานมัจจุมานเทพ ป, ปุตตมานและอภิสังขารมาร น, นี่นะพระองค์ผู้ชนะมานทั้ง5้าพราะฉนนั้นศาสนาเหล่านี้กว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นของที่ยากไม่ใช่ยากธรรมดานะียากเป็นแสนอยงั้นเด็ก็เลยเรียกว่าแสนยากอย่างนั้นสำนวนไทยคือว่าแสนเนี่ยนะไม่ใช่ร้อไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นอ่ะมากกว่าร้อยพันหมื่นอ่ะแสนเลยอย่างนั้นยากมากเพราะว่าผู้ที่ได้บวชมาแล้วเนี่ยนะ แม้ต้องการวิสุทธิต้องการบริสุทธิ์ถามว่าความบริสุทธิ์นี้บริสุทธิ์จากอะไรคํ า, ค ว, าว่าบริสุทธิ์นี้บริสุทธิ์จากสังกิเลสทั้งหมดเลยนะคำว่าสังกิเลธนี่กว้างกว่ากิเลสสังกิเลสคือตัณหาสังกิเลสคือทุจริตนะสังกิเลสคือทิฐิเป็นต้นน <laughs> <idea> ั่นแล้วก็ผู้ที่ต้องการความบริสุทธิ์จากสังสาระนะต้องการความบริสุทธิ์จากขันธธาตุอายตนะเหล่านี้เนี่ยนะ มาเห็นว่าขันธาตุยตนานีิเศร้ามองเหลือเกินรูปขันเหมือนอะไรเนะี่ยรูปขันเหมือนกับฟองน้ำหรือโรงพยาบาลว่า ง, งั้นเวทนาขันเหมือนกับต่ําน้ำหรือเหมือนกับความไข้สัญญาขันเหมือนกับสมุดฐานของความไข้เหหรือเหมือนกับอะไรนะสัญญาพยับแดดสังขารขันเหมือนกับต้นกล้วยหรือเหมือนกับ อ า, อาหารสแสลงเขาว่างวิญญาณขันเหมือนกับมายากลนะบอกมันหลอกนะดูเหมือนเดินเหมือนยืนเหมือนนั่งเลยนะจิตเนี่ยเาว่างมันหลอกแล้วก็เหมือนกับคนไข้เขาว่าน้นวิญญาณขันนี่เหมือนกับคนไข้มันนะมันขันห้าเหล่านี้ก็ไม่ดีอายตนาภายในเหมือนกับอะไร เหมือนกับอายตนาภายในเหมือนกับเรือนว่างอายตนาภายนอกเหมือนกับจรปล้นมหาภูติรูปเ น, น, นะนะปฐวีธาะมหาภูตรูปเหมือนกับมหาภูติรูปเหมือนกับอสสารพิษทั้งสี่อุปาทานขันทั้งห้าเหมือนกับเพชรขา้าดหน้าบริสุทธิ์จริงๆนะครบคบไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็กลับไปอาบน้ําต่อทนะีก็คือแสดงว่าถ้าฟังคําสอนเมื่อไหร่นะก็เอเอใช่ใช่มีโทษจริงๆ พอลืมคําสอนเมื่ อ, อไหร่เออดีอีกละะแล้วแสดงว่าไขาขึ้นเป็นหลายๆพักอ่ะ น, นะสางไขบ้างกับตอนฟังธรรมเนี่ยก็บอกว่าพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งนะขณะที่ฟังเนี่ยสร้างจากความเมาคือราคะโทสะโมหะได้พอไม่ได้ฟังอีกไขขึ้นอีกแล้ว น, นะก็สะสมไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหายสนิทนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการความบริสุทธิ์เนี่ยนะเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งทาง แห่งความบริสุทธิ์หรือว่าทางแห่งวิสุทธิ์นี่นะเพราะฉะนั้นทางแห่งวิสุทธิ์ที่สงเคราะห์ด้วยคุณมีศีลศีล ส, สมาธิปัญญาอันเป็นทางที่เกษมที่ตรงแม่พยายามไปก็หาบรรลุวิสุทธิได้ไม่ถ้าไม่รู้จกักศีลสมาธิปัญญาถึงปรารถนาความบริสุทธิ์เช่นไรก็ตามให้ทำไปเถออยังไงก็ไม่ได้บรรลุมาได้บรรลุรอกเหมือนกนไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ที่จะได้บรรลุได้ เพราะว่าต้องการอมะตะแต่ยังไม่รู้จักประตูนี่อยู่ตรงไหนก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะอาริยมรคมีองค์แปดเหมือนกับประตูแห่งอมะตะคลําหาเจอประตูบ้างหรือยังเลาะเลา ะ, ะข้ขขดูนี่เอ๊มันจะข้ะตรงสีมั่งยังถึงอมะตะเลยข้อที่เสียงก็เอ๊มันรู้ได้ว่ากลิ่นรสโพธพภะหรือธรรมรมอะ่ะแวกตรงไหนจึงจะเห็นอมะตะใครใครรู้ก็มาเล่าให้ฟังมั่งนี่ให้วิทยาทานหน่อย สงเคพระสงฆ์องค์ขระเจ้าได้บุญเยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักอริยมรรคเนี่ยนะไม่รู้จักศีลสมาธิปัญญาก็ยังไงก็ไม่ได้บรรลุนะถึงพยายามเอาเป็นเอาตายขนาดไหนก็ไม่ได้บรรลุพระพุทธเจ้าบรรลุด้วยการอดอาหารใช่ไหมบรรลุด้วยทุกขระกิริยาใช่ไหมไม่ใช่นะพระองค์บรรลุด้วยวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคเนี่ยไม่ใช่กัมพีนะ ถ้าตะกรนวิเศษชื่อว่าวิสุทธิมรักอันนี้เขาเรียกว่าคำพีเป็นชื่อของคมภีรแต่ถ้าวิสุทธิมรักษ์เฉยๆก็คือทางแห่งความบริสุทธิ์ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรักมีองค์8เนี่ยนะต้องแยกสับนะบอกวิสุทธิมรักบรรลุด้วยวิสุทธิมรักษ์จะเอาวิสุทธิมรักเข้าป่าแล้วด้วยจะบรรลุเลยคือคือไม่ใช่หนังสือนะแต่หมายถึงคุณธรรมได้แก่ศีลสมาธิปัญญาคุณธรรมอันนี้แหละที่เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพาน แล้วคำภีวิสุทธิมรักษ์นี้เป็นข้อวินิจฉัยที่หมดจดดีเนี่ยนะนทางคือความปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหมดจดดีอันอาศัยนยัยแห่งพระธิระชาวสำนักมหาวิหารเนี่ยนก็คือวิสุทธิมรักษ์นี้เป็นคำภีที่ สายมหาวิหารซึ่งสืบเนื่องจากพระมหินทเทระเนี่ยนะมีผู้ที่ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยลำดับมาเรื่อยๆเนี่ยนะ เ, เพราะฉะนั้นคำสอนในคำพีนี้เป็นคำสอนที่บริสุทธิ์หมดจดออกมาได้ฟังมาว่าเขาบอกว่าวิสุทธิมรรคนี่ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกเาว่ากัน <S <s ก็ใช่อยู่แล้วเพราะคนพูดไม่คิดจะปฏิบัติตามมาเนี <s> ่ยนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่คิดจะปฏิบัติตามอย่างไรก็ไม่สามารถจะปฏิบัติได้อยู่แล้วแต่ขอให้รู้เธอว่านะวิสุทธิมรรคเนี่ยตั้งอยู่ใน่ามกลางแห่งนิกายทั้ง4ก็เขาบอกว่าถ้าใครจะเรียนทีคณิกายนะคำพีทีคณิกายมีประมาณ34สูตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาอ่านทีคณิกาเนี่ยจะต้องใช้อัตตกะถาคือสุมังคลาวิลาสิณี ในสุมังคลระวิลาสีที่ขยายวิสุทธิ์ที่ขยายทีคณิกายนั้นต้องเอาวิสุทธิมักผนวกเข้ากับสุมังคละวิลาสีเพื่อที่จะอ่านทีคณิกายในมัชฌิมนิกายนี้มีอยู่152สูตรเนี่ยนะมีอัตถกถาที่อธิบายมัชฌิมนิกายชื่อว่าปะปัญจัสูทนีปปัญจัสูทนีที่อธิบายมัชฌิมนิกายคนที่จะอ่านมัชฌิมนิกายเอาปปัญจัสูทนีมาตั้งเอาวิสุทธิมักมาผนวกกับ ปะปัญจสูทนีแล้วอ่านมัชิมนิกาย น, นะคนที่จะอ่านสังยุตตนิกายเนี่ยนะ 7,762 สูตรเนี่ยคนนี้ก็ต้องเอาคำพีชื่อว่าสาระถปกาสินีมาขยายสังยุตตนิกายแล้วเอาวิสุทธิมัพพนวกเข้ากับสาระ ถ, ถทีปนีเพื่อที่จะขยายสังยุตตนิกายหรือใครที่จะอ่านอังคุตรนิกาย 9,557 สูตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่จะอ่านอันนี้ก็ต้องเอาคัมภีร์มโนรถะปุรณีอัตถกถาอังคุตรนิกายเนี่ยแล้วบวกกับวิสุทธิมรรคเข้าไปแล้วค่อยอ่านอังคุตรนิกายคุถการนิกายไม่ใช่นะคุถการนิกายนี่เป็นบางคัมภี์เท่านั้นเองที่พระพุทธโคสาจารย์อธิบายอัตถกถาไว้เช่นธรรมบทเนี่ยนะธรรมประปทธาถา นี้พระพุทธโคสอาจารย์เรียบเรียงประมาทโชติกาอัตกถาสังยุตติกายพระพุทธโคสอาจารย์ก็เรียบเรียงแล้วก็ชาตกระตกถาก็คืออัตกถาชาดกพระพุทธโคสอาจารย์ก็เป็นผู้เรียบเรียงเนี่ยนะในในในคุตการนิกายนะเพราะฉะนั้นคำภีใดใดก็ตามที่พระพุทธโคสอาจารย์เรียบเรียงท่านจะอ้างอิงว่าเนื้อหารายละเอียดท่านอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมัช เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจเนื้อหาอันนั้นได้ก็ต้องอาศัยวิสุทธิมรรคเนี่ยเทียบเคียงเนี่ยนะแล้ววิสุทธิมรรคนี้นับว่าเป็นคำสอนที่สรุปเนื้อหาที่เป็นข้อปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาโดยสรุปเนื้อหาไว้ให้เพราะฉะนั้นถึงเราปฏิบัติไม่ได้แต่ก็เชื่อว่าคาสอนเหล่านี้ก็เป็นคาสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้ก็เป็นสาระณะของเราใช่ไหมนี่ก็เป็นสาระณะของเราก็ศึกษาในเบื้องต้นข้อให้เห็นคุณของธรรมรัตนะก่อนเนีย่ยนะทีนี้เมื่อเราเห็นคุณของพระธรรมรัตนะเหล่านี้แล้วปฏิบัติได้มากได้น้อยก็ตามสมควรแก่อะไรนะผู้การว่า ง, งนะที่สวนมอนเช้าๆอะ่ะว่า ง, งนะขอปฏิบัติตามสติและกําลังใช่ไหมนะขอประพฤติปฏิบัติตามสติกําลัง ปัญหาสําคัญเบื้องต้นก็คือขอให้เข้าใจคําสอนธรรมรัตนะนั้นก่อนแล้วปฏิบัติตามสติกําลังของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาเราเองเนี่ยไปเทียบกับพระอริยบุคคลชั้นสูงใช่ไหมโอ้ฉันเรียนบอกปฏิบัติไม่ได้ก็เลยไม่เรียนเลยบางคนเนี่ยบอกอย่างนั้นจริงๆนะแถวแถ ว, แถวบ้านอนะตา ม, มาเนี่ยเขาบอกองั้นเลยก็บอกไม่รู้จะไปเรียนทําอะไรเรียนไปก็ปฏิบัติตามไม่ได้เขาบ อ, อ่างั้นอันนั้นเป็นมิจฉาป น, นิธินะตั้งจิตเอาไว้ผิดเนี่ยนะ เขาไม่คิดว่าธรรมารตนานี้เป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐเป็นแก้วอันประเสริฐเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วถึงเราชาตินี้ยังปฏิบัติไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนแห่งวาสนาบารมีต่อไปใช่ไหมว่าเออชาตินี้เราได้เรียนได้ฟังนี่ก็นนะับประบุญของเราแล้วนะชาติต่อๆไปถ้ามีบุญอันนะบุญที่เราสะสมไว้ได้ยินได้ฟังอีกก็จะเข้าใจง่ายนะฟังปั๊บจาได้เหมือนท่านโนนอย่างนี้เลยสบายเลยนะ สามารถเอาไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะเจาะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าตั้งจิตเอาไว้ผิดแล้วกอ็อยากเกินไปอย่างงั้นอย่างงี้ที่จริงเนี่ยเรานี่ก็นับว่าเป็นคนมีบุญเลยนะเพราะเว้นจากขณะอักขณะเลยนะเพราะหนึ่งเราไม่ได้เกิดในนรกเปรตอสุรกายและเนรฉานเราไม่ได้เกิดเป็นชาวชนบทที่ว่าชาวมีรขคานะมีราคาก็คือพวกที่ไม่รู้ภาษาเลยนะสำนวนเราก็จะคุยภาษาชาวเมืองไม่รู้เรื่องอนะ่ะ เรียกพวกมีลักขะเราก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นชาวเมืองแล้วก็ชาวเมืองก็ไม่ใช่ชาวเมืองแบบปัญญาไม่ดีเนี่ยนะพิการทางความคิดก็ไม่ใช่ น, นะก็มีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้อะไรเป็นทุภาสิตและสุภาสิตแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วได้เพราะฉะนั้นนี้ก็มีขณะแล้วและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ เพราะถ้าเราส่งเสริมศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยนะมีอัตตะสัมมาปณิที่บ้างนะขอให้ปัญจทวารวิถีได้รับอารมณ์ก่อนนะแล้วมโนทวารวิถีจะสะสมของเขาเองขอให้ได้ยินได้ฟังก่อนรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะนั้นถ้าหากว่าเข้าใจแล้วฟังสิ่งนั้นบ่อยๆนะปัญญาเขาก็จะเกิดขึ้นใครครวญเนื้อหาแห่งธรรมะเหล่านั้ น, น, นได้เพราะฉะนั้นเราอย่าปิดกั้นโอกาสให้กับตัวเองเพราะว่าเรานี้ ผ่านขณะเอ่ผ่านอักขณะเหล่านั้นแล้วเรามีขณะแล้วก็คือได้ขณะที่เป็นมนุษย์ไม่บ้าบ้าบาบอดหนวกมีสติมีปัญญาพระศัทธรรมคําสอนก็ยังมีอยู่งั้นถ้าหากว่าเรามีศรัทธาที่จะเรียนที่จะฟังนะได้ต่อไปนี้วิธีการแห่งการปฏิบัติก็ไม่น่ายากนะปัญหาที่ปฏิบัติทุกวันก็คือเพราะเราไม่เข้าใจเลยว่าปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรที่สุดแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ไหน ขนาดพะขนาปฏิบัติเนี่ยจะเจริญงอกงามได้อย่างไรอันนั้นคนก็เลยอยู่ในวังวนแห่งข้อปฏิบัติเนี่ยนะพออยู่ในวังวนแห่งข้อปฏิบัติก็เลยโอ๊ยเหนื่อยล้าศาสนาเสื่อมแล้วนะพอคิดอย่างนี้เสื่อมจากใครก่อนก็เสื่อมจากคนคิดนั่นแหละใครคิดบ่อยคนนั้นก็เสื่อมมากหน่อยใครไม่เคยคิดแล้วก็ไม่ศึกษาด้วยนะไม่เคยคิดอันนี้โอ้เสื่อมไปตั้งนานแล้ว <laughs> ไม่เคยคิดและไม่ศึกษาด้วย น, นี่เสื่อมไปนานแล้วแต่พัน มาก็ยังดีใจอยู่อย่างยังไงยังไ ง, ง, ไงก็ขออย่าเพิ่งเสื่อมจากเราเลยยังไงผู้ศาสนาเสื่อมแน่นอนนะดวงอาทิตย์ขึ้นมาในโลกมีไหมที่ไม่ตกอ่ะมีวันไหนไหมดวงอาทิตย์ไม่ตกเลยตั้งเดอยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยเปลี่ยนเลยนะสว่างทั้งวันทั้งคืนอ่ะไม่มีนะดวงอาทิตย์ยังไงก็หมดมีคนหนึ่งบอกที่รับหนึ่งเนี่ยนะสว่างยาวเลยอีกคนหนึ่งบอกที่นรกสว่างตลอดเลยเอางั้นไปไม่หาทางออกเดินได้นะ เอาพูดแบบคนไทยเราเตอนะเอาแบบคนไทยไทยเนี่ยนะก็ว่าดวงอาทิตย์ในประเทศไทยเนี่ยนะไม่มีสว่างตลอดเลยนะก็บอกว่าสิบแปดสิบ้านาฬกาเดี๋ยวก็ลับไปแล้วนะชันใดก็ดีพระสัพธ์ทำคำสอนเนี่นะพระพุทธเจ้ า, าซึ่งบำเพ็ญบุญบา ร, รมีม า, มามากขนาดนั้นเนี่ยนะคำสอนของพระองค์ก็ก็ยังหมดนะเขาบอกว่าไฟกองโตๆโเตโตนี่ยนะซึ่งมีเชื้อใช่ไมไฟเหล่านั้นจึงลุกขึ้น พอหมดเชื้อแสงสว่างแห่งไฟอันนั้นก็ก็หมดไปพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เหมือนกันเมื่อใดที่ยังมีผู้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามก็เท่ากับยังมีเชื้อแห่งแสงสว่างเหล่านั้นยังมีอยู่แต่เมื่อใดที่เลิกศึกษาเลิกเรียนรู้เลิกปฏิบัติเป็นต้นก็ถือว่าพุทธศาสนาก็ได้หมดจากณนะแห่งหน น, นนั้นไปแล้ว ถ้าไม่มีโดยที่สุดแม้แต่คนหนึ่งสามารถศึกษาเรียนรู้และไม่มีพิสูรรูปใดรูปหนึ่งประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยนะภาพป ร, ริยัติธรรมก็ไม่มีเหลือก็แสดงว่าพุทธศาสนาอันตรธานไปจากโลกแล้วก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เนี่ยนะรอผู้ที่บำเพญ็ญอภินิหารทั้งแปดประการบำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบป ร, ม, ปรมัตถารมีสิบจริยาสามนะแล้วก็ อตไรอีกมหาบริจาคห้ า, านะเสียสงไขเ่เศษอีกแสนกับก็รอองค์ใหม่อีกแต่ช่วงระหว่างรอนี้เราจะไปทําอะไรนะช่วงรอศึกษาคําสอนนี้เอาเวลาที่เหลือไปทําอะไร <Go ahead. S 1> นะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าดูก่อนสาธุชนทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ากล่าววิสุทธิมรักนั้นอย่างเคารพขอท่านทั้งหลายผู้ต้องการฟังวิสุทธิมรักเนี่ยนะผู้ต้องการความบริสุทธิ์แม้ทุกท่านจงตั้งใจฟัง เพราะอะไรเพราะว่าสมบัติแห่งพระาศาสนาเนื่องด้วยการฟังเป็นอย่างดีใช่ั้ยถ้าหากว่าผู้าศาสนาเกิดจากการฟังใช่ไหมผู้ที่บรรลุธรรมนั้นเรียกว่าสาวกสาวกากก็คือผู้ผู้ฟังเนี่ยนะผู้ที่บรรลุตามเพราะอาศัยการฟังคำว่าฟังในที่นี้เนี่ยหมายคำว่าไงฟังนี่เป็นเบื้องต้นเฉยๆเนี่ยนะแต่ถ้าฟังจริงๆแล้วตามลักษณะของ ฟังแล้วได้ปัญญาที่เป็นสุตามยาญาณก็โสตาวะทานเสุตตามยยานังใช่ไหมปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตามยาญาณพอฟังแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะได้วันนี้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งใช่ไหมอาศัยจําได้ก็เออนี่ธรรมะควรรู้ยิ่งนะทรงจำธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วเออนี่ธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญโอ้สังขารไม่เที่ยงอย่างนี้ สังขารเป็นทุกอย่างนี้ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างนี้อันอาศัยการฟังแล้วก็ทรงจําได้ทั้งหมดแล้วก็นี้อริยสัจนี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรธแล้วก็นี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอันอาศัยการฟังแล้วทรงจําไว้ทั้งหมดในเนื้อหารายละเอียดอันนั้นแหละเรียกว่าสุตามา ย, ยาญาณนะถ้าหากว่าคนที่มีความมีการฟังจนเป็นที่เข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วสังวรตามที่ฟังนั่นแหละเรียกว่า สีละมายายาัยญาณนะปัญญาที่สังวรเนี่ยนะสังวรตามที่ได้ฟังไว้แล้วนั่นแหละชื่อว่าสีละมายายาัยญาณนะคนที่มีการฟังอย่างดีสังวรทั้ง5